เลือกทำบุญาการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญไม่ใช่ว่าเรามีข้าวปลูกมีข้าวปลูกในมือแล้วเห็นป่าก็หวานเข้าไปในปา่าหวานเข้ป า, า, ป า, าป่ายญ้าคาป่าหญ้าป่าพงที่ไหนก็หวานไปเรื่อยเอเอฮ้ยหวานที่ไหนก็นอย่างเก่าแล้วลนะ่ะ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 เป็นมรคมานุท่านเป็นคนชาวบ้านนอกพอเห็นแล้วคนทั้งหลายชอบที่สะอาดทอบที่ลาบลื่นมรคมานก์ก็ไปกเกี่ยวไปกวาดจะมีมหันศพหรือว่ามีอะไรมีงานที่ไหนมกคมานพย์ก็ไปกวาดคนก็ไปล่มยืนแล้วก็ไปนั่งตรงที่มันสะอาด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 ให้คนได้ไปพึ่งพาอาศัยผลนิ่สุดสร้างศาลาใหญ่ในหมู่บ้านแล้วก็มีช้างตัวหนึ่งทั้งหมดมีอยู่สาคนออที่เป็นบริวารและก็มีช้างตัวหนึ่งออที่พระเจ้าแผ่นดินให้มาออมคามนตนกพยายามทำให้ดีที่สุดให้คนได้รับความสะดวกสบายสรุปแล้วก็คือช่วยสาธารณประโยชน์ แล้วก็สร้างศาลาขึ้นมาอแต่ว่ามัคคะมานพเนี่มีเมียสามคนเอยคนสมัยนั้นก็คงจะมีแต่งานมีเมียสามคนนี่นางสุนันทานางสุธรรมานางสุชาดาน่ยอ่าทีนี้ก็แต่มคคะมานพ์นี่บอกว่าผู้หญิงไม่ต้องเข้ามาใกล้มันเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาแต่คนนี่แหละมาทํางาน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 ตายแล้วก็พ้นไปสู่สวรรค์อเนกสง์แห่งการทาทานนางสุธรรมารมีช่อฟ้าสวยงามนางสุนันทานมีสวนสวยงามแต่นางสูชาดาเนี่ยพอตายไปแล้วไม่มีอเนกสงไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำเอาไว้พอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ในหนองน้ำอยู่ในกลางป่านกกระยางขาว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 ขึ้นไปดูสวรรค์พระอินก็นเลยเอานกกระยางตอนนั้นขึ้นไปบนสวรรค์พอขึ้นไปดูบนสวรรค์แล้วนางสุธรรมมานางสุนันทาเห็นเนี่คเอ๊คล้ายๆว่าไม่มองเต็มตายังไงเหลือบตาใส่เพราะว่าสามีเอสมัยนั้นก็โกรธกันเกลียดกันพอแรงใช่ไหมเอ๊กลลักษณะสมลำหน้าเอ๊ะทำไมไม่สร้างคุณงามความดีมีแต่ตกแต่ง ดูแลร่างกายให้สวยงามแข็งหมูอยู่ตลอดนี่แหละอานนสงแห่งการไม่สร้างบุญสร้างกุศลกรโคงเะลวลักษณะอย่างนั้นนางสุชาดาเป็นถึงจะเป็นนกก็จริงอยู่แต่ว่าใจมันใหญ่รู้รับรู้รั บ, รบทราบหมดทุกอย่างนางสุชาดาเลยกิบอกกับพระเอยนว่าโอ้ที่ฉันไม่อยากจะอยู่นะสวรรค์ขอลงไปอยู่ที่เก่าเถอะเป็นนกกยางยงัยงสบายใจกว่า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 ได้มาบวชพระในไว้ในพระพุทธศาสนาเพรานะ น, นั้นอัน้สง์มากนะคณะัตายาญาติโยมพวกเราได้ฝากฝังลูกหลานไว้ในพุทธศาสนาเป็นทายาทของพวกเราเอาต่อ น, นี้ไปรับพรในทะี่นี้นะ